สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บันครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเตรียมูตอนที่หนึร้อยห้าสิบหกร้อยเรียนคําบอุปมาตอนที่สองครับผมขออนุญาตทบทวนนะครับเรามีสี่กลุ่มด้วยกันที่เราจะร้อยเรียนขึ้นมาเห็นภาพของแผ่นดินสวรรค์หมดนะครับทบทวนนะครับกลุ่มแรกก็คือการมาถึงของแผ่นดินสวรรค์หรือราชันย์ของพระเจ้าอันที่สองก็คือพระคุณของแผ่นดินของ พระเจ้าหรือแผ่นดินสวรรค์หรือราชอาณาจักรของพระเจ้าพระคุณครับอันที่สามก็คือผู้คนที่อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าและสุดท้ายก็คือวิกฤตของแผ่นดินของพระเจ้านะครับเมื่อเราร้อยเรียงคำว่ามาทั้งหมดที่พระเยซูสอนจะออกมาเห็นเป็นสี่ภาพเหมือนครับนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับการมาของราชอาณาจักรของพระเจ้าพระคุณของราชอาณาจักรของพระเจ้าผู้คนในแผ่นดินหรือราชอาณาจักรของพระเจ้าและวิกฤต ของแผ่นดินหรือวิกฤตในราชัญจากของพระเจ้าสี่เรื่องนี้ครับนะเมื่อวานนี้เราอยู่ในหัวข้อที่หนึ่งก็คือการมาถึงของแผ่นดินนะครับผมก็ได้พูดไปแล้วว่าการเริ่มต้นหรือการมาถึงของแผ่นดินนั้นเนื่องจากว่าในสมัยนั้นยังไม่ทราบทิศทางนะครับและอนานคตที่ไม่แน่นอนพระเยซูก็เลยสอนให้เขาเข้าใจว่าอาณาจักรใหม่นี้จะมีส่วนอย่างไรกับแผ่นดินหรืออาณาจักรเก่านะครับเราทราบแล้วว่ามันเข้ากันไม่ได้นะครับในขณะเดียกันครับ แผ่นดินไหวนี้แม้ว่าจะเริ่มต้นเล็กน้อยตําต้อยครับแต่ในที่สุดแผ่นดินนี้ก็จะเติบใหญ่ไม่เพียงแต่เท่านั้นก็จะสามารถโอบกุ้มและรองรับผู้คนทั้งโลกได้และขยายไปทั่วสุดปลายแผ่นดินโลกได้นะครับต่อไปครับก็จะเป็นเรื่องของให้มีความอดทนเมื่อแผ่นดินของพระเจ้ามาแลแ้วๆนะครับจะต้องใช้ความอดทนมากเลยครับแต่พระเจ้านะครับทั้งนี้พระเจ้ารับรองว่าพระเจ้าจะดูแลทุกสิ่งทุกอย่างครับ เพื่อให้แผ่นดินนี้เติบโตนะครับเติบโตอยู่ในขั้นตอนที่ปกติครับและไม่มีอะไรที่จะมาสามารถหยุดยั้งการเติบโตนี้ได้นะครับจนกระทั่งเกิดการเก็ดเกี่ยวนะฮะเพราะฉะนั้นการมาของแผ่นดินของพระเจ้านั้นมาสู่โลกที่จะไปด้วยความบาปครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าอนุญาตให้คนในแผ่นดินของพระองค์อยู่ร่วมกับคนบาปคนอาธรรมนะครับแต่เมื่อถึงเวลาพระเจ้าจะจัดการและแยกคนอธรรมเหล่านั้นออกจากคนชอบกรรมในวันที่ภากษา นะครับอันนี้ก็คือเมื่อแผ่นดินของพระเจ้ามานะครับแผ่นดินของซาคารก็จะยอมนะครับจะต้องยอมและเปิดทางกับฤทธิ์อานาจเป็นแผ่นดินของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเรามีชายชนะเหนือมารซาคารโดยอาศัยและพึ่งพาในพระกําลังฤทธิ์ธรรมชาติฤิ์เดชสูงสุดอันล่าที่เปิไตที่มาจากพระเยซูนะครับเพราะฉะนั้นการมาของแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อวานนี้ผมชี้ให้เห็นนะครับว่าการที่บรรดาผู้ได้รับการปลดปล่อยอำนาจชั่วนั้นจะได้ประโยชน์แท้จริงก็เมื่อ เขาเอาตัวเข้ามาอยู่ภายใต้การปกครองยอมรับการอวยพรนะครับเอาตัวเข้ามาอยู่ภายใต้การปกครองของพระเยซูนะครับนั่นหมายความว่าจะต้องใช้คําว่าคอมมิชเมนต์นะครับคอมมิชเมนต์ที่จะยอมตัวเองนะครับเอาตัวเข้ามาอยู่ภายใต้การปกครองและอํานาจอธิปไตยของพระเจ้าเพื่อที่เราจะได้รับการอวยพรจากพระเจ้าครับในการติดตามองค์พระเยซูคริสต์เพราะในวันนี้นะครับจะอยู่ในหัวข้อที่สองครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไป ก็คือเราจะเห็นนะครับการร้อยเรียงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าที่อยู่ในหัวข้อที่สองครับเป็นเรื่องของพระคุณนะครับพระคุณของราชอาณาจักรหรือพระคุณของแผ่นดินของพระเจ้าเองลักษณะแห่งแผ่นดินของพระเจ้านั้นนะครับอยู่ภายใต้การปกครองนะครับเหมือนกับพ่อปกครองลูกนะครับเหมือนกับกษัตริย์ปกครองประชากรของพระองค์นะครับกษัตริย์หรือพระราชานั้นปกครอง และครอบครองด้วยพระคุณครับด้วยความรักนะครับความรักนี้เป็นความรักบริสุทธิ์เป็นความรักที่ไม่หวังผลตอบแทนเป็นความรักที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์ผู้ซึ่งแท้จริงแล้วไม่สมควรจะได้รับและนี่คือคาจำกัดความความของคาว่าพระคุณครับพระคุณแปลว่า huh. ส so ิ่งที่เราได้รับอย่างไม่สมควรนะครับโปรดฟังครั้งนะครับพระคุณแปลว่าสิ่งที่เราได้รับอย่างไม่สมควรนะครับ เพราะฉะนั้นอุปมาเรื่องคนงานทําสวนในในสวนหนหุ่นนะครับในมัทธิวบทที่ยี่สิบแสดงให้เห็นว่ารางวัลในแผ่นดินของพระเจ้านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความปรารถนาของมนุษย์แต่แท้จริงมาจากพระคุณของพระเจ้าครับนะเราไม่ได้มีความสามารถนะครับทําบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าจะต้องตอบแทนเราแต่พระเจ้านั้นมีพระคุณามากใหม่ครับรงตอบแทนเกินกว่าที่เราทํา แต่ขอให้เราทํำด้วยใจให้เราทําด้วยข้าที่แห่งการยอมจํานวนยอมเอาตัวเองเข้ามาอยู่ภายใต้การปกครองและยอมเชื่อฟังพระเยซูครับนะครับในเรื่องคำอมมาบุทน้อยนะครับบุตรน้อยบทสองคนนะครับบุทน้อยสอนว่าบรรดาคนบาปนั้นอยู่ใกล้พระคุณของพระเจ้ามากกว่าบรรดาพวกที่ประากาศตัวว่าตนเป็นผู้นําศาสนานะครับประากาศตัวว่าตนเป็นผู้นําศาสนาแต่ไม่ยอมตอบสนองต่อหน้าวัดไทยและการทรงเรียกและพระคุณของพระองค์ นะครับแต่ในทางกับกังครับบรรดาคนบาปนะครับคนบาปพวกนี้แหละเป็นพวกที่กระตันอยู่รู้คุณครับนะครับในคําอุปมาเรื่องลูกที่สองคนจะรู้เลยครับว่าคนที่นายยกบาปให้หรือยกหนี้ให้นะครับหนี้นะครับกับคําว่าบาปเนี่ยมีความหมายเหมือนกันครับยกหนี้ให้มากคนนั้นก็รู้และทราบซึ้งมากก็จะกระตันอยู่มากครับรู้บุญคุณมากนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้น เรื่องของพระคุณพี่น้องครับเราเองนั้นเมื่อเราเป็นเพื่อเสปีย์นะครับเราเป็นคนที่ไม่ดีครับเราเป็นคนบาปครับที่ได้รับพระคุณนะครับจริงๆแล้วเราไม่สมควรได้รับแต่เนื่องจากว่าพระเจ้าเมตตาเราพระเจ้าทรงมีพระคุณกับชีวิตของเรากับเราถึงได้รับพระคุณยิ่งใหญ่นี้ก็คือได้รับการอภัยโทษบาปได้รับการยอมรับเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้าได้รับสิ่งดีๆที่พระเจ้าเสียงไว้นะครับมีพระพร ที่พระเจ้าได้ซ่อนไว้รับเตรียมไว้อย่างพอเพียงเหมาะสมกับเราแต่ละคนเสมอนะครับเรากลับมาดูแลเรามาร้อยเรียงคขบุมมาต่อไปนะครับขบุมมาเรื่องการเลี้ยงใหญ่ในลูกาบที่สิบสี่นะครับและอบุมมาเรื่องการเลี้ยงเรื่องในพิธีไปเสกมนเหศีมัคคิวบทที่ยี่สิบสองทำให้เราสามารถร้อยเรียงว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นนะครับพระเจ้าเชื้อเชิญ คนที่เข้ามาในแผ่นดินของพระเจ้าแสดงว่าความรอดนั้นอยู่กับการตอบสนองต่อคําเชิญครับนะและเป็นการเข้าใจผิดสำหรับมนุษย์ที่คิดว่าตนจะสามารถตัดสินใจและเลือกทีดีสุดในแผ่นดินได้นะครับจริงๆแล้วนะเราไม่เลือกนะครับหรือเราเลือกไม่ได้ครับเราไม่ได้เลือกครับนะแต่พระเจ้าเลือกเรานะครับเมื่อพระเจ้าเลือกเราเราตอบสนองต่อการเลือกหรือคําเชื้อเชินของพระองค์ นะครับเพราะฉะนั้นเราจรึงได้รับความรอดนะไม่มีใครที่จะห่างไกลจากพระเจ้าไปกว่าบรรดาพวกที่คิดว่าตัวเองชอบทำอันนี้ปรากฏอยู่ในอุปมาเรื่องคนปริศีและคนเ็ภาษีครับและท้ายที่สุดนะครับทําอุปมาเกี่ยวกับเรื่องของที่หายและพบสามเรื่องติดต่อกันในลูกกาบที่สิบห้านะครับพี่น้องคงจําได้นะครับว่าอะไรหายไปครับมีสามอย่างมีสามเรื่องนะครับสามอย่างที่หายไปหนึ่งแกะหาย สองเหรียญหายสามบุดน้อยลงหายนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้เรารู้ว่าหายนะครับจะพบแน่นอนครับถ้าหากว่าเราปรารถนาที่จะหาสิ่งเหล่านั้นนะครับหาของที่หายไปแน่นอนครับต้องพบแน่เพราะพระเยซูสัญญาไว้นะครับจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้กับท่านเมื่อพระเยซูโต้อตอบคำอธิษฐานของบรรดาพวกธรรมชาติและพวกฟอริสีนะครับว่าพระเจ้า ได้ทรงมอบของประทานที่ยิ่งใหญ่ให้กับบรรดาพวกคนบาปที่กลับใจนะพี่น้องครับผมย้ํากั้งครับพระเจ้าทรงประทานพระคุณนะครับมอบของประทานที่ยิ่งใหญ่คือความรอดให้กับบรรดาพวกคนบาปที่กลับใจนะครับสิ่งนี้เป็นการที่พระเจ้าได้สําเดงพระคุณยิ่งใหญ่ของพระองค์นะครับพระคุณยิ่งใหญ่ของพระองค์ในราชแหจักรคือพระองค์กำลังสําแดงพระคุณในแผ่นดินของพระเจ้า ละอุปมาทั้งสาเรื่องนะครับแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ถึงความชื่นชมินดีในการกลับมาของบรรด า, นาคนบาปเพราะว่าพวกเขาหาของเจอครับหาของที่ต้องการหาเจอนะครับเขามีความชื่นชมนดีมากไม่ว่าจะเป็นแกะนะครับที่หายไปเหรียญที่หายไปและปุ๋ดน้อยนะครับปุ๋ดน้อนที่หลงหายไปยงค์ท้าประเสริญนะครับนี่คือพระคุณในแผ่นดินของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเราร้อยเรียงกลับออกมาเหล่านี้นะครับขึ้นมา เราก็เห็นความต่อเนื่องครับว่าความต่อเนื่องของแผ่นดินของพระเจ้าก็คือเมื่อแผ่นดินของพระเจ้ามาถึงนะครับเราจะเห็นภาพว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นค่อยๆเติบใหญ่นะครับและแผ่นดินของพระเจ้านั้นเป็นพระคุณครับเป็นพระคุณซึ่งจริงๆแล้วเราไม่สมควรได้เพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้นะครับเมื่อร้อยเรียงเรื่องของการมาถึงของแผ่นดินของพระเจ้า ต้องถามตัวเองนะครับว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นอยู่ในใจของเราหรือเปล่าครับหรือต้องถามตัวเองทางกลับกันนะครับว่าเราเป็นพลเมืองของแผ่นดินสวรรค์หรือเปล่าเราเป็นพลเมืองที่ถือนะครับสัญชาติสวรรค์หรือเปล่าเพราะเราเกิดใหม่นะครับมันเกิดใหม่แล้วประการต่อไปก็คือว่าเราต้องสำนึกและขอบพระคุณพระเจ้ า, าครับสำหรับพระคุณอันนี้จริงๆแล้วเราไม่สมควรจะได้รับครับแต่เร า, เราได้รับเพราะว่าความรักของพระเจ้า ความรักที่บริสุทธิ์ที่ไม่หวังพื่อหังผลตอบแทนของพระเจ้าทําให้เราทั้งหลายได้มีโอกาส ร, รับพระคุณนี้พี่น้องครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราควรจะตั้งใจภาวนาตัวว่าเราจะมีชีวิตที่ดีตอบสนองกับพระคุณนี้ด้วยความขอบคุณและในขณะเดียวกันเราต้องส่งผ่านพระคุณนี้ไปถึงคนอื่นอีกมากมายครับการส่งผ่านนี้ก็คือการรับใช้พระเจ้านะครับไม่ว่าจะมีการเล่าเรื่องพระเยซูเล่าเรื่อง เราวปเสิดของพระองค์พระกิติคุณของพระเจ้าเล่าเรื่องชีวิตของเราที่เราพบกับพระเยซูนะครับการเล่าเรื่องนี้เป็นการเล่าเรื่องตามธรรมชาตินะครับที่เราได้รับส่แล้วเราจะเห็นว่าชีวิตของเรานั้นก็กลายเป็นบทเรียนอีกบทหนึ่งให้คนอื่นๆได้ครับและจากตรงนี้เองทําให้ชีวิตของเรานั้นเป็นผู้ที่นําพระคุณความรักของพระเจ้าไปถึงคนอื่นๆ อ, อีกมากมายเยอะแยะ ในโอกาสวระคิดถึสมภพเนี้นะครับผมขอหนุในใจพี่น้องที่ได้ยินได้ฟังเสียงอัพเสียงจากสีบานนี้นะครับเราจะต้องเริ่มต้นอธิษฐานเผื่อคนเหล่าวักครับเพื่อที่ว่าคนเหล่านี้เขาจะได้เข้ามาอยู่ในแผ่นเดียวกันครับเขาจะถือสัญชาติสวรรค์เหมือนกับพวกเรานะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน